ในสมัยพุทธกาลครั้งเมื่อพระสากยมุนีสามมาสามพุทธเจ้าเสด็จมาตรัสในโลกเพื่อโปรดสรรพสัตว์ให้ตื่นขึ้นจากความหลงที่เป็นเหตุปัใจจัยให้ต้องทุก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 กลอนการดนตรีคัมภีร์พระเวทและกระทั่งศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวมวยปล้ำฟันดาบเป็นนุ่มน้อยเพียบพร้อมด้วยความสามารถรอบด้านเป็นที่เรื่องลือของชาวเมืองอุเชนีด้วยวัยเพียงยี่สิบปีโอ้ยโอ้ยโอ้ยปันข้าเบาๆมือหน่อยก็ได้กันมนิดฮ่าฮ่า ข้าจะบอ้มือพวกเจ้าได้อย่างไรในเมื่อข้าต่อยพวกเจ้ารุมสู้ข้าท้อมกันทีเดียวอยู่สองคนแล้วนี่นาะนี่แน่นี่แน่รับเงินข้าดีๆแต่ข้านั้นไม่ไหวแล้วนะเพื่อนเห็นที่จะต้องขอยอมแพ้ อ, อีกสักครั้งข้าก็ด้วยเหมือนกันขอยอมแล้วล่ะอ้าวแล้วกันสิพวกเจ้าทำไมยอมแพ้ทางง่างยๆเช่นนี้เล่าไม่เห็นจะผิดแปลกอันใดเลยกรรมมนิตฐ์ทั่วทั้งกรุงอดเชนีของเราเนี่ย ใครประดาบสู้กับเจ้าได้สุกคนเล่าดังนั้นเราสองคนก็เช่นกันท่านกรร ม, มนิตท่านกรร ม, มนิตบ่าวของพ่อแคเองเจ้ามีเรื่องอนไรหรือถึงได้วิ่งกระหืดกระหอบมาเช่นนี้ท่านท่านพ่อท่านพ่อท่านกรร ม, มนิตท่านพ่อของท่านอะ่ะเพิอองพ่งกลับมาจากเข้าเฝ้าพระราชาแล้วก็สั่งให้เรียกหาท่านนี่แหละกระนั้นหรือ แล้วนี้เจ้าพอจะรู้อะไรอีกบ้างนายนายวา่าจะเป็นเรื่องดีนะท่านกัมมณีศ์พระราชาเตรียมทรงคณะราชทูตไปเจริญไมตรีกับพระเจ้ากรุงโกสัมพีแล้วท่านพ่อของท่านกัมมนิศ์ก็จะจัดกองเคลียนสินค้าไปค้าขายที่กรุงโกสัมพีด้วยโดยสมทบไปกับคณะราชทูตเลยอ๋อพี่จะาหมายความว่า ท่านพ่อข้าจะให้ข้าไปกรุงโกสัมพีด้วยใช่ไหมดูเหมือนจะให้ท่านกรรมนิตคุมกองเืนสินค้าไปขายเองทียวละท่านโอ้โหเจ้าถึงโชคดีจริงๆกรรมนิตใช่ข้าก็อิจฉาเจ้าอ้าวสหายข้าทั้งสองเจ้าสองคนก็เดินทางไปเที่ยวกรุงโกสัมพีพร้อมกันกันกบข้าสิคงเป็นไปไม่ได้แล้วกรรมนิตหนทางยาวไกลเต็มไปด้วยอันตรายพ่อแม่ของข้าไม่ยินยอมให้ไปแน่ถูกแล้วล่ะ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 เจ้าสองคนก็ดูแลไปสิข้าไม่เคยไปดูแลยุ่งเกี่ยวกับหญิงใดสักคนนี่นาะมีแต่เจ้าสองคนนั่นแหละที่พยายามจะยุยงข้าเลือกสาวคนนั้นคนนี้ก็สาวสาวกุมวดเช่นนี้แล้วเนี่ยต่างลุมล้อมกันแต่เพียงเจ้าคนเดียวจนไม่เหลียวแลชายใดกันเลยนี่นะถ้าเช่นนั้นเราก็จะได้เป่าประกาศซะเลยว่ากาเมริหนุ่มได้ไปหาคนรักที่กุงโกสัมภีเสร็จแล้วและอาจจะแต่งงานอยู่กินกันที่นั่นเลย คราวนี้ล่ะสาวงามทั้งหลายจะได้หันมาสนใจเราสองคนกันบ้างว่าเจ้าจะทําเช่นนั้นเชียวนะกามนิษ์เพราะหากเป็นเช่นนั้นละก็สาวสาวกรุงอุเฉนีคงพากัน ร, ร่ําให้น้ําตาทั่วเมืองเป็นแน่แท้กามนิตฐ์ไดรีบกลับมาหาบิดาของเขาที่ครฤหาบบิดาของเขาได้เรียกกามนิตฐ์เข้ามาสวมกอดด้วยความรัก และเริ่มต้นสอนสั่งบุตรชายผู้เป็นดวงใจด้วยเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่บุตรชายจะต้องห่างจากบ้านห่างจากอ้อมอกของผู้เป็นบิดาก็มนิดลูก ร, รับพราะคลื่นใจในตัวเจ้านักที่เจ้าได้มีความขยันหมั่นเพียรและเชื่อฟังในคำสั่งสอนของพ่อและแม่ ด, ดีเสมอมาเนการศึกษาของเจ้านั้น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 เป็นวันนะแพทย์ที่ทำการค้าสืบต่อกันมายาวนานบรรพบุรุษของตระกูลเราต่างได้สร้างสมบุญบารมีไว้มากจนทำให้เรามีวันนี้เป็นที่ยอมรับนหน้าถือตาจากทุกชนชั้นวันนะนี่พ่อก็เพิ่งกลับมาจากการเฝ้าพระราชาพระองค์ทรงเตรียมทรงคณะราชทูตไปเจริญไมตรีครับพระเจ้าอุเทน เจ้ากรุงโกสัมพีและพ่อก็ได้ทูลขอกับพระราชาที่จะทรงเจ้าให้ได้ร่วมให้กับคณะเราจะถูกในครั้งนี้ด้วยโดยนำกองเวียนไปค้าขายที่กรุงโกสัมทีลูกกระหายที่จะได้ทําหน้าที่สําคัญนี้มานานแล้วลู้ดีใจและภาคภูมิใจยิ่งนักที่พ่อให้ความไว้วางใจในตัวลูกลูกเอ้ยนี่นับเป็นโอกาสอันดียิ่งของเจ้าแล้ว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 เจ้าจงเชื่อฟังคำแนะนำสอนสั่งของท่านรัชทูตเองและเมื่อไปถึงกรุงโกสัมพีแล้วนะก็ให้ไปพบเพื่อนชนิดของพ่อที่นั่นชื่อว่าประนาธเจ้าจะได้พานักอาศัยอยู่ที่บ้านของเขาและจะได้รับการช่วยเหลือแนะนําเริ่มการค้าจากเขาด้วยซึ่งก่อนเจ้าออกเดินทางพ่อก็จะทําหนังสือถึงเพื่อนของพ่อให้เจ้าถือไป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 แต่อย่าได้ลืมรีไปพักผ่อนเสียละเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญจงจำเอาไว้นะว่าจะทำอะไรก็ตามอย่าให้เสียการใหญ่ได้เจ้ามีเองรอปรึกพอกมนิทนมข้ามาได้เห็นเจ้าเสียหลายปีกลายเป็นนุมรอสมคำร่หลือ ใช่ขอรับท่านราชทูตข้าการมนิกรขอกราบคารวะท่านข้าเองก็ต้องขอขอบคุณท่านราชทูตอีกครั้งและขอฝากลูกชายของข้าแก่ท่านด้วยโปรดสอนจังและแนะนำเขาให้ได้วิชยาความรู้ดีๆจากท่านไว้เถิดไม่ต้องเป็นห่วงเขอรอกท่านเราก็ไม่ใช่คนอื่นไกลข้ารับปากท่านว่าจะดูแลเขาให้ท่านเป็นอย่างดี จงสบายใจในเรื่องนี้เถิดจนเรื่องวิชาความรู้นั้นข้าคงไม่มีอะไรจะให้แก่เขาได้รอกกระมังท่านเพราะเป็นที่รู้กันทั่วกรุงอุเทนีอยู่นี่นาว่ากัมมนิตหนุ่มน้อยผู้นี้เชี่ยวชาญในทุกสิ่งยังนั้นไม่เถิหรือกัมมนิตไม่จริงหรอกขอรับท่านราชทูุข้าเองยังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้อีกมากนะักคงต้องขอความเมตตาจากท่านราชทูตลช่วยแนะนําสอนสั่งแก่ข้าด้วย <c oughs> ถ้าเจ้าคิดว่าข้านี้มีอะไรที่พอจะสอนเจ้าได้ละก็ข้าก็ยินดีเออนิ่นี่ยกามนิธ์เราจะต้องเดินทางกันนานนับเดือนข้าไม่เห็นสาวคนรักของเจ้ามาส่งเจ้าเลยละกามนิธิข้ายังไม่มีคนที่รักใครหรอกขอรักท่านราชทูตช้อยหนุ่มรูปงามที่เพียบพร้อมเช่นเจ้าแต่กลับยังไม่มีคนรักนี่ไม่กว้ามว่ากรุงูเชนีของเราไม่มีสาวงามที่ต้องใจ เจ้ารวยสกคนโดยหรือกมนิธข้านี้ยังไม่พบเจอนะขอรับท่านเน่นี่ถ้าข้ามีทิดากับเขาสกนเนะข้าคงจะต้องนำพามาให้เจ้าได้พบเจอเป็นแน่ด้วยเพื่อว่าอาจจะเป็นเนื้อคู่ของเจ้าและข้าก็คงจะมีความสุขยิ่งนะเออนี่กรมนิธนี่เจ้าคงจะมีความเชื่อในเรื่องของเนื้อคู่ะรสินะเป็นเช่นนั้นจริงๆขอรับท่านข้านี้มีความเชื่อว่า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 ขอท่านจงประสบเต่โชคดีและสาเร็จสมประสงค์ทุกสิ่งเถอก็รับท่านเราจะทูดและเจ้าเด็กนักกามนิษฐ์ลูกรักของพ่อจะจงรักษาตัวให้ดีนักกามนิษฐ์ลูกของแม่ขอเถิดาเพื่อดาบแห่งบุญได้ปวดคอยปุกปักรักษาคุ้มครองลูกชายของข้าให้ปลอดภัยด้วยเถิดลูกของกาบลา และลูกขอสัญญาเก็บพ่อและแม่ว่าลูกจะไม่ทำให้พ่อและแม่ต้องผิดหวังแม้แต่น้อยและจะลบกลับมาโดยเร็วเพื่อที่จะได้ไปทำการค้าขายในที่อื่นอีลูกไปแล้วการเดินทางออกสู่โลกว้างเป็นครั้งแรกของชายหนุ่มแต่เริ่มต้นขึ้นแล้วการมนิษ์มีความมุ่งมั่น และความหวังมากมายอยู่เต็มหัวใจหนทางจากกรุงอุเทนีสู่กรุงโกสัมพีนั้นยาวไกลทั้งมีอันตรายจากสัตว์ลายและหมู่โจรอยู่ตลอดทางแต่ด้วยเป็นกระบวนของคณะราชทูตอารักขาด้วยรีลพลก็ยากยิ่งที่พยันตรายใดจะมาเบียดเบียนได้จนเวลาผ่านได้เดือนหนึ่ง คณะของราชทูต ก, ก็มาถึงกรุงโกสัมพีซึ่งเป็นนักพรที่แม่น้ำคงคาไหลผ่านนี่นปรอมาณิตบัดนี้เราได้เดินทางมาถึงกรุงโกสัมพีแล้วเจ้าเห็นแม่น้ำข้างหน้านั้นใช่ไหมนี่เหระแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ นี่เองแม่น้ำคงคาที่คาเคยฟังและร่ำเรียนมาคาเพิ่งไปจับแตสายตาก็วันนี้นี่เองโอ้ทั้งสวยงามเหลือเกินแม่น้ำสีเหลืองสายนั้นคงคือแม่น้ำคงคาที่ไหลมาจากภูเขาอันหนาวเย็นทางอุตรดประเทศที่มีหิมปะปกคลุมตลอดทั้งปีและแม่น้ำสีขเขียวสายนั้นก็คงคือแม่น้ำยมุนาเป็นแม่แท้ผู้หกต้องแล้วกัมมานิตแม่น้ำคงคาและแม่น้ำยมุนา ได้ไหลมาลวมกันที่กรุงโกสัมพีแห่งนี้ในยามค่ำคืนนะเจ้าจะได้เห็นทางท า, ทางเผืออพาดผ่านทา้องฟ้ า, ฟามาบรรจบกับแม่น้ำทั้งสองสายนี้รายเป็นแม่น้ำสามสายมาบรรจบกันจึงเรียกตำบลนี้ว่ายุราตีคูอยังไรเล่ากรงมานิษ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 ไปกันได้พวกเราทั้รูปขบวนเข้าสูก่กรุงโกสันพีกันเปิดเมื่อคณะราชทูตเข้าสู่กรุงโกสัมพีแล้วท่านราชทูตก็เข้าเฝ้า พ, พระราชาและปฏิบัติภา ร, รกิจอื่นๆส่วนการมณิทก็ไปพบกับประนาถผู้เป็นเพื่อนของบิดาและได้เข้าพำนักอยู่ณที่พฤหาสของประนาถนั้น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 กามนิตกามนิตโชคดีของท่านแลวเราวันนี้ข้ากามนิตจะมีโชคดีเรื่องใดหรือสมทัศน์สายข้าเรื่องใดนั้นแล้วท่านก็จะรู้เองตอนเนี้ยท่านเตรียมแต่งกายงดงามเถิดเพราะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่อุทยานอกกรุงกันวันนี้จะเป็นวันที่เจ้าได้เห็นเหล่าสาวงามของกุ้งโกสัมพีที่มารวมกันที่นี่พร้อมกันหมดเลยชุละสมทัศน์สายข้า ท่านนี่ช่ารู้จิตใจข้ายิ่งนักตั้งแต่มาถึงกรุงโกสัมพีได้สามชีวันนี้แล้วข้ายังไม่ได้พบเห็นสาวงามต้องใจสักคนเลยวันเนี้ยท่านได้พบเจอแนะ่เพราะว่าเหล่าสาวงามซึ่งเลือกสานแล้วจากตระกูลชั้นสูงจะมาเล่นคลีเพื่อบูชาพระรักษมีเทวีแห่งเขาวินไทยกันงั้นเราจะช้าอยู่ใหญ่เล่าโสมทัศสหายข้าเราริบไปกันเถิดถ้าพร้อมแล้ว โอ้ยโอ้ยโอ้ยิดใจคอท่านจะฉุดลากเข้าไปเลยหรือกรรมวินิจนิ่ชายหนุ่มกรุงอัชนีิเขาใจร้อนเช่นท่านกันทุกคนเลยหรือเปล่าหนอโอ้ขอโทษทีสหายข้าก็เมื่อฟังท่านเล่าถึงบรรดาสาวสาวแห่งกรุงโกสพัพีใจของข้าก็ลอยไปถึงที่นั่นก่อนแล้วและใครจะรู้ได้เนื้อคู่ของข้าอาจจะรอข้าอยู่ที่นั่นก็เป็นได้ถ้งนั้นไปกันเลยสหายข้า เราไปหาเนื้อคู่ของท่านกันดาวมานิตฐ์หนุ่มแห่งกรุงอุดเญ น, นี้จะมีเนื้อคู่อยู่ที่กรุงโกสัมพีเลยนี่โอ้ผู้คนช่างมากมายจริงๆนะสมทัศสมก็เป็นงานพิธีที่ยิ่งใหญ่ก็แน่ละสินี่ไม่ได้มีเฉพาะแต่ชาวกรุงโกสัมพีแบบนะชาวเมืองข้างเคียงก็มาร่วมชมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้กัน ข้าว่าคืนเรายืนดูอยู่ข้างหลังเช่นนี้เราคงไม่มีโอกาสได้เห็นใบหน้าของสาวงามบนเวทีเป็นแม่ข้าขาทางแท้พวกคนเข้าไปชมใกล้ๆแล้วลนะอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวพูดแล้วก็ทิ้งข้าไปเลยหรือการมนิทเดี๋ยวสิรอเขาด้วยการมนิทการมนิทขณะนั้นการมนิทหนุ่มได้เบียเสียดพวกคนจนได้มายืนอยู่ใกล้ด้านหน้าเวทีสายตาของการมนิท จับจ้องอยู่ที่สาวงามนางหนึ่งสาวงามผู้เป็นดาวเด่นบนเวทีการเล ด, ดครีเธอดอกลูกครีสีทองทั้งคู่ดึงมือซ้ายขวาสลับขึ้นลงด้วยลีลาที่สวยงามและรวดเร็วจนดูราวกับเป็นสายทองทั้งลีลาเยื่อแยามขอ ง, งานางนั้นก็ช่างอ่อนช้อยรับกับจังหวะและดูคล่องแคล่วชานาญยิ่งนัก กระทั่งสาวน้อยผู้นั้นได้หันมาทางกามนิษ์และเมื่อได้เห็นใบหน้าของสาวน้อยผู้นั้นโอานางคือใครกันนี่ช่างสวยงามเกินใครที่ข้าได้เคยพบเห็นมาหัวใจของข้าแทบจะหยุดเต้นเสียให้ได้นี่านางคงคือสตรีที่หัวใจของข้ากามนิษตามหาเป็นแน่แท้โอ้แม่นางของข้า สายตาของสาวงามผู้ดอกครีนางันก็สบประสานกับสายตาของกามนิธที่จ้องอยู่นี่เกิดเป็นใดขึ้นกับใจเราเนี่ ย, มยไม่มแค่ฝึกตาฝึกใจนั้ในใจของเราทุกท่านจะหยุดได้ไหมได้ทันที่สายตาของทั้งสองได้สบประสานกันอนุภาพของความรักก็ได้กอ่อตัวขึ้นทันที โดยที่ทั้งสองไม่ทันได้ตั้งตัวทั้งกามนิธวาสิทธิต่างตกอยู่ในพวาวังรับถึงใดนั้นลูกครีลูกหนึ่งก็มีอันทัดหล่นจากมือของวาสิทธิและกระดอนออกมานอกเวที ชายหนุ่มหลายคนต่างปรูกันเข้าแย่งลูกครีกำมนิกปราดเข้าไปในเวลาเดียวกันกับบุุษผู้สนาด้วยอาภรคนหนึ่งช้หนุ่มทั้งสองประทับกันและแย่งกันก็หาลูกครีทองไปอี้ไดีแน่ชายหนุ่มคนนี้เป็นใครกัน ประกาศาเด็ดขวางหน้าข้าได้ข้ามีวันยอมให้เจ้าซื้อเราฮึมานนธการมนิตอาศัยทักษะมวยปล้ำทิ้นือกว่าจึงขึ้นหน้าไปได้ชายหนุ่มผู้นั้นจะรั้งคอการมนิตไว้แต่ก็พลาดว้าได้เพียงสร้อยแก้วตาเสือซึ่งเป็นเครื่องรางประจำตัวของการมนิตขาติดมือไปแม่ทำให้ตัวเองต้องเสียหลักล้มลง เราจะไปไหนเยอะแล้วฮึได้แล้วใช้หนุ่มผู้ย่งลูกครีกับกรมนิชลุกขึ้นด้วยความอายและโกรธกว้างส้อยแก้วตาเสือกลับมาให้กรมนิชก่อนจะท่าออกไปอย่างเครียดแข็งจะมองไว้นะเจ้าไปพูพ้องทับหิีทางหลีทาง กามณิตไม่ได้ใส่ใจกับท่าทางที่แสดงออกของชายผู้นัน้นเขาสนใจเป็นสาวนาอที่เขาหมายปองบนเวทีเท่านั้นเมื่อเห็นเธอมองมาด้วยสายตาที่เชื่อชูกามณิตก็บันจงโยนโลูกคลีทองให้กระดอนพื้นเวทีกลับไปเข้ามือของสาวน้อยซึ่งหนางก็รับไว้ได้พอดีและเล่นลูกคลีต่อได้อย่างสวยงามทากลางเสียงเชื่นชูจากคนดู สาวน้อยวาสีหันมายิ้มตอบเป็นไมตรีให้แก่กขา บ, บัดิีดอกไม้แห่งความรักแต่ทิ่งดอกบาเนเต็มหัวใจของกรมนิษ์ไปแล้วกำมนิษกมนิษอ้าวสรมทชัดพี่ท่านไปอยู่ที่ไหนมาถามท่านมาตลอดนั่นแหละใครจะคล่องเข้าวลวดเร็วเทียมท่านได้ แม้แต่สาตะเคียนซึ่งลำลือกันว่าเป็นเนลิศในกรุงโตสัมพีแล้วสู้ท่านไม่ได้ใครรึคือสาตะเคียน อ, ออกไปจากตรงนี้ก่อนเถอะผู้คนเบียดเสียดกันแน่นอีกเดี๋ยวการเล่นคลีก็ จ, จะจบลงแล้วผู้คนเหยียบเราทั้งสองคนตายที่ทอนกามิมีอาจขัดใจสหายใหม่ได้โดยก่อนออกมาก็มองจดจาใบหน้าของสาวน้อยผูนั้นไว้อีกครั้ง เป็นจังหวะเดียว ก, กันกับที่การเล่นครีได้จบลงสาวน้อยวาสิทฉันมามองกรรมนิทเพียงคู่ก่อนที่จะเดินลงเวทีไปด้านหลังพร้อมกับสาวงามคนหนึ่งกรร ม, มนิชจึงจําต้องเดินจากออกมาพร้อมกับโสมัรถพิธีนันะกกรรมนิทสหายข้าที่ท่านนะ่ะเป็นพ่อค้าวานิทมีเดีคิดเอาดีทางรับราชการที่เมืองนี้ ท่านจะบอกอะไรข้าหรือโสมทัตป็ทชายผู้ได้แย่งลูกคลีกับท่านนั้นเขาคือสาตาเคียนบุตรของประธานมนตรีผู้ทรงอานาจในประเทศนี้แข้าและเห็นว่าสาตาเคียนนั้นดูมีท่าทีอค า, าดแทนต่อท่านกันอันมากข้าเองไม่ได้ชุดรู้ตัวอันใดเลยคิดเพียงว่าเป็นการประลองไหวพึิบกันของลูกผู้ชายก็เท่านั้น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 ไม่พบเจออีกได้แล้วก็เป็นดีขอบใจท่านมากสมมาทัศสหายข้าข้าจะจําในคําเตือนของท่านไว้ตั้งแต่วันที่พบเห็นานางผู้เลวโฉมกามนิสก็ไม่เป็นอันกินอันนอนแต่เก็บความรู้สึกเอาไว้นีิได้บอกสมมาทัศผู้สหายเขาเฝ้าทวิญหาแต่สาวน้อยผู้ดอกคลีทั้งแหววเวียนไปไล่เราที่อุทยาน และสถานที่อื่นๆอยู่หลายแห่งแต่ก็ต้องผิดหวังไม่ได้พบเห็นนามอีกเลยกามนิตมันนั่งอยู่ที่นี่เองไปไปเที่ยวเล่นชมบอนกรุงโกสัมพีกันมีทั้งศึกการตีนกโอ้ยสารพัดที่เลือกเล่นในตามที่ท่านถนัดเลยละ่ะไม่ละ่ะสมมาทัศข้านั้นไม่ถนัดในการเล่นเล่นต่างๆดังกล่าวเลยเชิญท่านตามสบายเถอด ที่ท่านไม่ชอบการพานาันหรอกหรือกรรมนิชบอกกับท่านตามตรงนะสมะทัศสหายข้าข้านั้นไม่ค่อยจะนิยมชมชอบการพ น, นันนะด้วยเพระเห็นบ้านปลายของปุถิเล่นการพ น, นันมานักต่อนนะักหัวล้วนมีชีวิตที่นาเศร้าใจมากแต่ข้าก็ไม่ได้คิดขัดขวางห้าปรางท่านหรอกนะเชิญท่านตามสบายเถอะข้าข้าก็แค่เล่นสนุกพอเพลิดเพลินใจเท่านั้นเองอย่างนั้นเราไปเที่ยวเดินเล่นชมตลาดชมสาวๆกันก็ได้กรรมนิต อย่าห่วงแค่เลยสมทัศน์วันนี้ข้าไม่ใครอยากออกไปที่ไหนหรอกเชิญสหายของข้าดํนเดินไปตามที่ทางตั้งใจไว้เชิญท่านพูดแล้วกับรู้จิตใจข้าจริงๆอย่างนั้นข้าก็ไม่ฝืนใจท่านแล้วนะข้าขอไปเล่นสกาหาเงินไม่ใช้เที่ยวเล่นสักนิดหน่อยก่อนแล้วจะรีบกลับมารับท่านออกไปเที่ยวด้วยกันขับไปก่อนแล้วนะกามณิตเมื่ออยู่แต่ผู้เดียว ใจก็หมกมุ่นอยู่แต่สาวงามคนนั้นทุกอิริยาบถของนางยังคงติดตรึงอยู่ในความนึกคิดทุกมองยามโอ้แม่นางผู้เป็นที่รักของข้าเจ้าจะรู้หรือไม่นองว่าเจ้านั้นได้กรรมเอาหัวใจของข้าไปด้วยแล้วสาวงามมากมายที่ข้าได้เคยพบเห็นไม่เคยมีผู้ใด ที่จะสะกดหัวใจของข้าได้ข้าเคยเฝ้าถามใจของข้าเสมอมาว่านางใดจะคือคู่ครองของข้านางใดที่คือเนื้อคู่น้าแท้ของข้าบัดนี้ข้ารู้แล้วบัดนี้ข้ารู้ชัดเกืหัวใจของข้าแล้ว หัวใจของกามนิตหนุ่มรุ่มร้อนเป็นยิ่งนักเช่ดเช่นเดียวกับหัวใจของสาวน้อยผู้ดอกคลีผู้นั้นชายผู้เก่งกล้าของค้าท่านเป็นใครกันนะท่านเข้ามาให้ข้าได้พบได้เห็นท่านแล้วท่านก็จากข้าไปพร้อมกับนาเอาหัวใจของข้าไปด้วยแล้วตอนนี้ท่านอยู่หน้าที่ใดกัน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 หากเจ้าได้ยินจงรับรู้เถิดว่านี่คือเสียงร่ำร้องจากหวัวใจของข้าว่ารักเจ้าเหลือเกินการมณิทยังไม่อาจกลายความร้อนรุ่มผิดคิดถึงสาวน้อยที่ตนหลงรักลงไปได้ยิ่งคิดถึงก็ยิ่งกระสับกระส่ายว้าวุ่นหัวใจสุดท้ายจึงหยิบผู้กันและสี มาบัรจงวาดรูปของนางผู้เป็นที่รักไวเ้เฉยชมเพื่อให้ใคลายความคิดถึงถ้าสามารถจดจะได้อย่างติดตาทึงใจไม่ว่าจะเป็นวงหน้าที่สวยของเจ้าปากที่เรียวสวยยามย้ม ย, ยิ้มให้กับข้าจมูกและแก้มที่แดงเรื่อคิ้วที่คมเข้ม และในตาอันหวานซึ้งของเจ้ายามที่มีงองมายังข้าโอ้แม่นางของข้าข้าปลากราจะพบเจ้าเหลือเกินโอ้โอ้โอ้ท่านกรรมเทพเบื้องบนท่านได้แผลงสอนรักปักลงกลางใจของกรรมนิ์สหายข้าแล้วหรือนี่อ้าวสมทัศทำไมท่านกลับมาเร็วนะักไม่เร็วไปกว่าท่านวาดรูปสาวงามผู้เลอโฉมหรอ แหม่ถืนข้ากลับมาช้ากว่านี้สักนิดนะข้าก็คงไม่มีโอกาสได้รู้ว่ากามนิชฐ์สหายข้านั้นกำลังตกหลุมรักสาวน้อยผู้ดอกพลีในพิธีบูชาพระลักษมีเทวีมิน่าเราหลังจากวันนั้นแล้วกามนิต์หนุ่มแห่งกรุงอุชเชนีก็ไม่เป็นอันกินอันนอนโดยเพราะว่าทําหัวใจหล่นหายอยู่ที่กรุงโกสัมพีนี่เอง ท่านจะล้อค่ายังไงก็เชิญตามสบายเถอะข้ายอมสิน้นขอเพียงท่านช่วยข้าติดตามหานางจะได้ไหมสมมาทัศน์ท่านเป็นสหายข้านะกามนิธิข้ายอมช่วยท่านในทุกเรื่องอยู่แล้วแต่ข้านี่น้อยใจในตัวท่านนะักมีทุกใดในใจยายท่านไม่ยอมแบ่งปันให้ข้าได้รับรู้แต่เอาเถอะอย่างไรเสียเพื่อเห็นกับฝีมือการวาดรูปของท่าน ข้าต้องขอชมเชยฝีมือของท่านจริงๆเนี่ยท่านจึงวาดได้เหมือนมากเหมือนราวกับวาสิทธีตัวจริงมายืนย้ำยิ้มอยู่นะตรงนี้เมื่อครู่ท่านพูดว่านางคือวาสิทธิหรือสมุทัตโอ้นี่หมายความว่าท่านรู้จักนางใช่ไหมสมุทัตบอกข้ามาเดี๋ยวนีใน้ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นสหายข้าใจเย็นเย็น ปล่อยค้าก่อนก็ได้ถูกแล้วละ่ะสาวน้อยพูดเราะคีในวันนั้นเธอคือว่าสิทธิเป็นธิดาของนายช่างทองผู้มีชื่อเสียงแห่งกรุงโกสัมพีนี้โอ้ว่าสิทธิว่าสิทธิผู้เป็นที่รักของข้าสมทัศนสายรักแล้วนี้ข้าจะาทางพบนางได้อย่างไรท่านโปรดช่วยข้ามีโอกาสได้พบนางด้วยเถิดอืม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 อยพึ่งเศร้าใจไปสีกามนิษถ้าสามารถช่วยสายรักของข้าได้จริงๆหรือสรงมารัศท่านช่วยข้าได้จริงๆรหรือโอ้แล้วนี่ข้าต้องทําอย่างไรบ้างท่านไม่ต้องทํำอะไรหรอกกามนิษนอนคอยฟังข่าวจากข้าอยู่ที่นี่แหละท่านจะไปพบวาสิทธีอย่างนั้นหรือข้าไม่สามารถทําเช่นนั้นได้หรอกแต่วาสิทฐีนั้นเธอมีลูกพี่เรียงน้องที่สนิทชิดใกล้กัน ชื่อว่าเมธินีซึ่งในงานพิธีเล่นครีวันนั้นเมธินีก็ไปร่วมเล่นครีด้วยกันกับวาิสถีและเมธินีนั้นเธอก็คือคนรักของข้าเองโธเป็นเช่นนี้นี่เอ ง, ท, งท่านช่งแกล้งปิดข้าไว้ตั้งเป็นนานนะสมมติก็ท่านยังปิดข้าเรื่องหลงรักวาิสถีได้นี่นะรู้เช่นนี้ ข้ปล่อยให้ท่านนั่งเผอนอนเผอเฝ้าลำพันธ์กอดรูปวาสสิถีไปจนผอมตายก็ดีหรอกจะเย็นเย็นเถิดกรรมนิตเดี๋ยวข้าจะรีบไปหาเมธินีขอให้นางช่วยเป็นสื่อให้กับท่านเองถ้าเช่นนั้นข้าขอฝากรูปนี้ให้เมธินีช่วยนำส่งให้กับวาสสิธีด้วยแต่สักเดี๋ยวนะข้าขอเขียนบทกระวีใส่ลงไปก่อน คันค่านี้มีนามกามนิผู้เฝ้าคิดครวนคร่ำร่ำร้องหาเพียงแต่เจ้าวาสถียอดชีวาแค่พบหน้าแรกเห็นเป็นต้องมนตรมลิขิตให้เจ้าอยู่ เป็นคู่ค่าหรือเพียงมายวนตาพาชงนโปรดเถิดว่าสิถีเผยกระมลให้ข้ายน์ใจนางเป็นอย่างไร เ่นคลั่งรงักจนเป็นบ้าไปเก่อนรักขายข้า่าฮ่าออแล้วระหว่างที่รอฟังข่าวจากข้าเนี่ยขอได้โปรดพ่อนักรักรับประทานอาหารและนอนพักผ่อนจะบ้างนะสภาพของท่านนั้นแลดูโซมเต็มทีขืนปล่อยตัวเช่นนี้วาสิทธิคงรับรักของท่านไม่ลงแน่ๆ่ฮ่ไปละ การมนต์สุดแสนตื่นเต้นและดีใจที่มีสื่อรักช่วเหลือเขาหวังใจยิ่งนักว่าจะได้พบว่าสตีในวิชา น, นี้เมื่ออารมณ์ของชายหนุ่มกลับมาสดชื่นเบิกบาน<ม>เขาก็รับประทานอาหารได้อย่างอาริสอร่อยอีกครั้งแไ่นอนเล่นหลอฟังข่าวด้วยหัวใจที่จดจ่อแต่เบิกบานใจยิ่งกระทั่งสมุทัตกลับเข้ามา เป็นช่นไรโสมทัตว่าสิทธิของข้าตอบมาเช่นไรนางสุดสบายดีหรือไม่โสมทัตใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นวา่าเศรษฐีมีสุ้สบายดีนักหรอกโอว่าสิทธิีของข้าป่วยเป็นอะไรหรือนี่ข้าและเมธีมีความเห็นต้องกันว่าวาสิทธฐีนั้นก็ป่วยเป็นไข้ใจเช่นท่านนี่แหละกามมานิด <laughs> แต่ไม่ต้องตกใจเมธินีบอกข้าว่าทันทีที่ได้เห็นรูปวาดละสารลักจากท่านนางก็สดชื่นแจ่มใสาหายป่วยสิ้นเหมือนเช่นท่านตอนนี้แหละเอา้านี่บทกวีของวาสถีที่มีความในใจตอบท่านอ่านดูเสี้ยชื่นตาชื่นใจนางขินบทกวีได้ด้วยเลยนี่โอ้สวรรค์ ท่านยังส่งนางที่งามพร้อมส่งเป็นเนื้อคู่มาให้ข้าแท้ๆไหนหนางตอบข้าว่าชื่อไรโอ้บุรุษอันมีนามกามมนิตใจเจ้าคิดแน่แท้แล้วลหรือหญิงงามพร้อมรูปประพันธ์อันเรื่องลือยังมีชื่อร้อยพัน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 พ่อว่สสิทธิใด้เจ้าไม่บอกความในใจใดๆ ใ, ให้ข้าได้รู้บ้างเลยอ้าวนี่วัสสิทธตอบเจ้ามาเช่นนี้หรอกหรือแต่เจ้าอย่าเพิ่งเศร้าใจไปเลยกรรมนิษวัสสิทธีได้ตอบฝากเมทินีฝากให้ข้านำมาบอกเจ้าอีกทีหนึ่งว่าต้อ <c oughs> <c oughs> งฟังให้ดีนะกรรมนิษวาสสิทธิอ่ะ ได้ฝากวาจานัดท่านให้ไปพบที่ลานนอกประสาทในคืนวันรุ่งนี้โอ้ฮ่าฮ่โอ้สวรรค์โปรดข้าแล้วโอ้โอ้ความรักของข้าสมหวังแล้วสมัชช์ฮ่าฮ่ท่านคือหายรักของข้าฮ่าฮ่ยินดีด้วยกรบมณิษฐ์สายข้ายินดีด้วยฮ่าฮ เพื่อนทั้งสองต่างหัวเราะยินดีด้วยกันอย่างมีความสุขแต่แล้วทันใดนั้นเองเออขอประทานโทษด้วยเถิดนายของข้าด้วยว่ามีคนของท่านราชทูตแห่งกรุงอุเชนีมาขอพบท่านกามนิทขณะ น, นี้บ่าวให้เขานั่งรอยอยู่ที่ห้องโถง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 และให้ข้าเตรียมตัวออกเดินทางกลับกรงอุตเชนีในเช้าตรูวันรุ่งนี้แล้วตายละก็วาสถีนัดท่านไปพบในตอนค่ําของวันรุ่งนี้นะแล้วนี่จะทํายังไงกันดีเล่าโดยเหตุนี้แหละข้าจะต้องออกไปพบท่านราชจ้ทูถึงที่บ้านรับรองและจะต้องเรียนความทิดแก่ท่านไปว่าข้ายังไม่เสร็จสิ้นเรื่องทางการค้าข้าอ่อนวอนขอร้องท่านราชจ้ทูที่เลื่อน ก, กําหนดการเดินทางออกไปอีก แล้วท่านล่าจะทุดยินยอมให้ท่านหรือเปล่ากามนิ์ท่านก็ยอมเลื่อกนกำหนดการเดินทางให้ข้าอย่างไม่ใคร่พอใจนักและยอมเลื่อนการเดินทางออกไปอีกเพียงวันเดียวเท่านั้นเพราะท่านคงพอรู้อยู่ว่าข้านั้นซื้อขายสินค้าเสร็จสิ้นมาหลายวันแล้วฮาลงใจไปทีอย่างน้อยท่านก็จะได้อยู่พบกับวาสิทธในค่าวันรุ่งนี้ใช่อย่างน้อยข้าก็จะได้พบวาสิทธผู้เป็นที่รักของข้า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 จึงมาถึงลานกว้างอันมีต้นอโศกแต่ดอกไม้นานาพันธุ์โปรประดับไว้อย่างงดงามนั่นอย่างไรเมธินีและวาสิทถีนั่งรออยู่ที่ม้านั่งนั่นข้าจะไปหาเมธินีคนรักของท่าละ่ะขอให้ท่านสมหวังในความรักนะกัมมานิจเจ้าเจ้าคือวาสิทธิหรือใช่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 เรากับคู่รักที่จากกันมานานแสนนานก้ามนิจและวาสิทธีต่างยืนสวมกอดกันแนบนิ่งโดยไม่มีคำพูดจะใดๆออกมาราวกับว่า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 ตามเข้าไปนั่งเคียงข้างวาสิทธิและกุมมือของวาสิทธิไว้แนบปกของตนหากเธอคิดว่าความรักของเราที่มีต่อการเป็นเรื่องที่น่าอับอายผู้คนทั้งหลายและสัตว์ทั้งโลกนี้ก็คงพากันอายสิ้นจนไม่มีเผ่าพันธุ์ใดเหลืออยู่อีกแล้ววาสิทธิข้าหมายถึงการที่ข้ากวมกอดกับท่านทั้งทั้งที่เราเพิ่งได้ใกล้ชิด และพูดจากต่อเป็นครรั้งแกเจ้าคิดว่าเป็นครั้งแรกแต่ข้ากลับคิดว่าเรานั้นต่างได้เคยพบเจอและอยู่ร่วมกันมาทุกชาติพบและในชาตินี้ข้าก็ได้ตามหาเจ้าจนพบแล้วจึงไม่ใช่เรื่องแปลกกันใดเลยวาสิทีที่เราจะพึงรู้สึกนึกรักกันในทันทีที่แรกเห็นนี่ท่านทึกทักเอาเองเลยหรือนี้ว่าเรานั้นได้พบกันมาทุกชาติพบ เจไม่รู้สึกเช่นนั้นหรอกหรือวาสิทธีทันทีที่ข้าได้พบเจ้าข้านั้นเหมือนกับได้พบวิญญาณของข้าที่ขาดหายไปสวรรค์ได้นําพาให้ข้าได้มาพบกับคู่ของข้าแล้วสายตาของวาสิทธีจับจ้องอยู่ที่ดวงตาของกามนิตเรากับจะค้นหาคําตอบจากภายในดวงตาคู่นั้นยิ่งจ้องมอง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 ก็คงต้องมีอันหยุดลงกลางครัน้นซึ่งทั้งจะไม่ได้บุญกุศลแล้วยังอาจจะถูกพระรักษมีเทวีทรงพิโรธสาบให้ข้าหาความสุขที่ได้อีกเลยในชีวิตนี้ก็เป็นได้ข้าไม่ได้วยช่วยเจ้าหรอกวาสตีข้าเพียงใช้โทษของข้าที่มีต่อเจ้าต้องหากการม น, นิท่านได้ทำผิดต่อข้าแต่เมื่อใดกันก็ผิดที่ข้านั้น ได้ไปศกสายตาต่อเจ้าจนทําให้เจ้านั้นดาะลูกคลีผิดพลาดจนลูกคลีหล่นลงมายอย่างไรเล่าวาสถิถีหากไม่มีข้ามายืนมองเจ้าจะไหนเลยผู้ที่เล่นครีได้อย่างชำนาญเช่นเจ้าจะผิดพลาดได้ง่ายคาเองที่ทําผิดต่อเจ้าวาสิถีมีสีหน้าแดงเขินอายจนทําท่าจะลุกขึ้นหนีแต่กรรมนิษได้รั้งมือของวาสิถีไว้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 ขอให้ข้าได้รักเจ้าเถิดวาสิทธีกามนิข้าข้าก็รักท่านข้าก็หลงรักท่านได้งแต่วันนั้นเช่นกันวาสิธีอ๋อวาสิธีของข้าวาสิธีสะอื้นให้ด้วยความปลื้มปีติและซาบซึ้งเป็นยิ่งนักโผลเข้าซบแนบกับอกของกาแม น, นิทั้งสอง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 เมื่อนึกขึ้นมาได้ก็ให้ถอดถอนใจด้วยความกังวลทุกข์โอตายละมีเรื่องอะไร ห, หรือกามนิษยัยท่านทุกขกล่าวคำเช่นนี้รุ่งเช้านี้แล้ววาสถีรุ่งเช้านี้ข้าจะต้องกลับกรุงอุจเฉนีพร้อมกับคณะของท่านราชทูตแล้วนะสิโอ้กาแมนิษทำไมจึงเป็นเช่นนี้ท่านมาทําให้ข้าสมหวังในความรัก แล้วใหญ่ท่านจะต้องด่นจากข้าไปรวดเร็วเช่นนี้ใจของข้าจะทานทานได้ยอย่างไรกันกลางนนี้วาสิทธิไม่อาจปรับใจยอมรับได้ด้วยเพิ่งจะสุขใจในความรักได้เพียงครู่ก็จะต้องพบกับการจากเสียแล้วจึงร่ําไห้ด้วยความเศร้าเสียใจ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 ท่านค็อย่าพิ่งกลับไปเลยนะกามนิตท่านจงอยู่เพื่อคนที่ท่านรักแม่อยู่เพื่อคนที่รักท่านก่อนเถิดนะกาแมนิทกามนิต ม, มีอาจฝืนติดใจตนอันทําให้คนรักต้องเศร้าเสียใจได้อีกต่อไปเขาคุกข่าวลงที่พื้นเบื้องหน้าของวาสิธีและกอดนางไว้โอ้วาสถีข้าไม่กลับไปแล้ว ก่จะไม่จัดเจ้าไปไหนแล้วโอ้กามนิธท่านพูดจริงๆหรือกามนิธิท่านสัญญากับข้านะโอ้ข้าดีใจเหลือเกินแล้วที่รักของข้าว่าสิทธิยินดีเป็นที่สุดนางก้มลงโอกกอดและจุมพิษกามะนิธิด้วยความรักและความดีใจทั้งสองหัวเราะต่อกันอย่างมีความสุขที่ลานอโศกในค่ำคืนนั้น กรรมนิทและวาสิถีต่างพร่ำวาจารักอันแสนหวานต่อกันอย่างไม่รู้หนาจนเวลาล่วงเลยไปอย่างรวดเร็วนี่นะเมทินียอดรักของข้านี่ก็ได้เวลาที่เราจะต้องแยกจากกันแล้วแต่ว่าเพื่อเห็นแก่คนที่เพิ่งจะหัดรักกันสองคนนี้เมทินีจะจงไปเตรียมสเสบียงหาให้พวกเขาหน่อยเถิดส่วนข้า ก็จะเป็นเกณฑ์คนให้มาปลูกห้องหอให้ไว้ที่นี่ซิเลยเพราะดูๆแล้วคนที่เพิ่งจะหักรักกันทั้งสองนี้คงจะไม่ยอมแยกจากกันอีกนานนับเดือนเชละสมุทัศน์เนี่ยท่านช่างมีอารมณ์ล้อผู้คนเขาได้ทุกเมื่อเชียวนะวาสิถีนี่ดึกมากแล้วล่ะเลยเวลาที่เราต้องกลับเข้าบ้านมานานแล้วจริงด้วยสิกามนิศคืนนี้เราคงต้องจากกันแล้ว เดี๋ยวท่านกับโสมัทาต้องเดินทางลงเขากันไปอีกไกลหากช้าไปกว่านี้ก็จะสว่างเสียก่อนที่ท่านทั้งสองจะไปถึงบ้านคืนวันรุ่งนี้และทุกทุกคืนข้าจะรีบมาพบเจ้าที่นี่ให้เร็วกว่านี้เพื่อที่จะมีเวลาอยู่กับเจ้าได้นานๆกว่านี้รีบไปกันเถิดผนักรักแรกหัดก่อนที่จะสว่างหากมีผู้คนมารู้เข้าแล้วก็ เดี๋ยวจะพานไม่ได้มากันสักคืนไปก่อนแล้วนะเมธนียอดรักไปก่อนแล้วนะวาสิถีกามนิธและโสมาทัศน์เมื่อกลับมาถึงบ้านในตอนใกล้สว่างก็เห็นข้าวของและกองเกวียนจัดเตรียมอยู่เต็มลานหน้าบ้านกามนิธจึงรีบเรียก บ, บ่าวผู้เป็นหัวหน้าคุมกองเกวียนออกมาสั่งความนี่เจ้าเดี๋ยวพฟ้าเริ่มสว่างแล้ว ให้เจา้ารีบไปพบท่านราชทูตโดยเร็วและแจ้งต่อท่านว่าข้ากามณิข์มีความเสียใจที่มิอาจเดินทางกลับกรุงอุเชนีไปพร้อมกับคณะของท่านได้โดยเพราะว่าข้านั้นจึงทํากิจธุระไม่เสร็จสิ้นจําเป็นที่จะต้องอยู่กรุงโกสัมพีต่อไปอีกและฝากกราบเรียนท่านด้วยว่าขอท่านได้ช่วยส่งข่าวแจ้งแก่ปิดาบารดาของข้าว่าข้านั้นรักโค้รพท่านเสมอและจะรีบเดินทางกลับไปโดยเร็ว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 บิดามันดาของเจ้านั้นได้ฝากฝังข้าให้คอยดูแลเจ้าเจ้าถึงได้มีโอกาสเดินทางมากับคณะของข้าแล้วนี่เจ้าคิดอะังการที่จะเดินทางกลับกรุงอุชชนีไปกันเองโดยไม่มีข้าเจ้าคิดหรือว่าข้าและบิดามันดาของเจ้าจะยินยอมให้เจ้าไปเสี่ยงชีวิตนะอามนิศไปเดี๋ยวนี้เรีมออกเดินทางไปพร้อมกับข้าเร็วเขา้า